75 โกติคามสัจจกถาว่าด้วยทรงแสดงอริยสัจที่ และไม่แทงตลอดอริยสัจ 4 ได้แก่เราและพวกเธอเร่ร่อนไปตลอดเวลานานถึง และบัดนี้ทุกขอริยสัจอันเราและพวกเธอได้ตรัสรู้และแทงตลอดแล้วทุกขสมุทัยอริยสัจ เราและพวกเธอตรัสตัณหาในภพได้ ตัดรากแห่งทุกข์ได้เด็ดขาดบัดนี้ 176 อัมพปาลีวัตถุว่าด้วยหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีหญิงงามเมืองชื่อถึงโกติคามแล้วจึงให้ เดินทางออกจากกรุงเวสาลีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มี เราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สด โปรดรับพัตตาหารของดิฉันเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระ ว่าด้วยเจ้าลิชวีด้วยเจ้าลิชวีพวกเจ้าลิชวีชาวกรุงเวสาลีได้ทรงสดับข่าว ทรงเครื่องประดับเขียวเครื่องประดับเขียวเจ้าราชวีบางพวกเหลืองคือทรงมีสีเหลืองทรงพัดคือทรงมีสีแดงทรงคือทรงมีสีขาวทรงพัด แอกกระทบแอกล้อกระทบล้อเพลากระทบเพลาของเจ้าฤชวีหนุ่มๆลำดับนั้นพวกเจ้าฤชวีเหล่านั้นจึงได้ตรากับหญิงงามชื่ออัมพปาลีดังนี้ว่าแม่อัมพปาลีเฮยฉไหนเธอจึงทําให้งอนรถกระทบงอนรถแอกกระทบแอกล้อกระทบล้อเพลากระทบเพลาของ พระลูกเจ้าทั้งหลายม่อมฉันได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ เจ้าฤชวีทั้งหลายทรงดิษฐ์องค์คุลีตรัสว่าผู้เจริญทั้งหลาย เหล่าภิกษุที่ไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็จงดูบริสัดเจ้าลิชวีจงณที่ประทับ ได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สม เราจ่ายให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วย เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้แล้วลำดับนั้นพวกเจ้าฤชวิทรงดีดองค์คุหรีตรัสว่าผู้เจริญเมืองชื่ออัมพปาลีเสียแล้วผู้เจริญทั้งหลายพวก ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกติคามตามพระอติยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทาง ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระทหารเสร็จแล้วครั้นมี กระเถ่างพระผู้ พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีเห็นชัด ฤชเฉว 3 จบ 178 สีหเสนาปติวัตถุว่าด้วยสีหเสนาบดี นำประชุมกันในสันถาคารกล่าวสนับสนุนพระพุทธกล่าวสนับสนุนพระธรรมกล่าวสนับสนุนพระสงฆ์โดยประการต่างๆสมัยนั้นสีหะเสนาบดีสาวกของนิครณนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยลำดับนั้นสีหะเสนาบดี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 ข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเฝ้าสีหะท่านเป็นผู้สอนให้ธรรมฉะนั้นจึงไปเฝ้าพระสมณโคดมผู้สอนไม่สีหะเพราะพระสมณโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้สีหะเสนาบดี จึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระ เพราะเจ้าลิเฉวีผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้นั่งประชุมกันในสันถาคารต่างก็กล่าวสนับสนุนพระพุทธกล่าว เดินทางออกจากกรุง 500 คันเดินทางไปด้วยยานพาหนะตลอดพื้นที่ที่ พระองค์ได้ฟังมาดังนี้พระสมณโคดมเป็นผู้สอนไม่ กล่าวตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่า 1. สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระ 2. สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สอนให้ทําแสดงธรรมเพื่อการ สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็น ข้อที่เขากล่าวหา พระสมณโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดแสดงธรรมเพื่อไม่ผุดไม่เกิดทั้งแนะนําพวก 8 สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราประการสีหะ ค่อที่เขากลาวหาเราว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้สองไม่ให้ทำทรงแสดงทำเพื่อการไม่ให้ทำทั้งแน่นามพวกษา動กตามแนวนั้นนั้นชื่อว่ามีมูลอยู่เป็นอย่างไร 1. รีหะเพราะเราสอนไม่ให้ทำกลายทุจิหริดว sock tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr พระสมณโคดมเป็นผู้สอนไม่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราสีหะเพราะเรา มโนสุจริตตลอดๆข้อที่เขากล่าวหาเราสีหะข้อที่เขาให้ทําลายแสดงธรรมเพื่อ นั้นชื่อว่ามีมูลอยู่เป็นอย่างไรชื่อ 3 สีหะเพราะเราสอนโมหะตลอดๆข้อที่เขากล่าวหาเราสีหะข้อ พระสมณโคดมเป็นคนแช่งรังเกียจ 4 สีหะเพราะเราแช่งรังเกียจกายบาปอกุศลธรรมๆข้อที่ ทั้งแนะนําพวกสาวกตามสีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างกําจัดแสดงธรรมเพื่อความกําจัดทั้งแนะนําพวกสาวกโมหะและบาป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 เพราะเรากล่าวถึงคือกายทุจริตวจีทุจริตสีหะเราเรียกคนที่ ตทาคตละบาปอกุศลธรรมต่างๆที่ควรเผาผลาญได้หมดสิ้นข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นสีหะข้อที่เขา ทั้งนั้นชื่อว่ามีมูลอยู่เป็นอย่างไรนําพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นชื่อว่ามีมุนอยู่สีหะเพราะเราเรียกคนที่ละ กาลีเขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่ เพราะเราเป็นผู้เบาใจด้วยความเบาใจอย่างยิ่งแสดงธรรมเพื่อความเบาใจทั้งแนะ พระองค์ผู้เจริญภาษาของพระองค์ชัดเจนไพเราะ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 สีหเสนาบดีกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปลาบปื้มชื่นใจอย่างยิ่ง แต่พระองค์กลับตรัสว่าท่านไคลครวนก่อนแล้วจึงค่อยตัด 2 ข้าพระองค์นี้ขอถึง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นสีหะตระกูลของท่านเคยเป็นที่ต้อนรับ ข้าพระองค์ปราปลื้มชื่นใจอย่างยิ่งสีหะตระกูลของท่านเคยเป็นที่ต้อนรับ ควรให้ทานแก่สาวกของเราเท่า พระองค์ผู้เจริญแม้ครั้งที่ 3 ข้าพระองค์นี้ขอถึง 2 3 สักขคถา 4 กามาทินวะคถา 5 เนคคมานิสังสักคถาแก่สีหเสนาบดีเมื่อทรงทราบว่าสีหเสนาบดีมีจิตโกรธอ่อนปราศจากนิรวรเบิกบานผ่องนิโรธมรรคธรรมจักร ปรัสสจาคมนทินได้เกิดขึ้นแก่นั้นณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด ข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแกร่งใจถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อ ทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงได้ ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระทหารเสร็จแล้ว 4 แยก สีหะเสนาบดีข้าๆทำอาหารเลี้ยงพระสมณโคดมพระสมณโคดมทั้งที่รู้อยู่ก็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 เปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงส่วนพวกเราไม่จงใจ เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อที่เขาทําเจาะจงพระผู้มี รูปใดฉันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุ 179 กปิยะภูมิอนุชฌานา สมัยนั้นกรุงเวสาลีมีภิกษาอาหารมากมีข้าวกล้าว่าอาหารที่เรา หวงต้มเองที่จําต้องแล้วรับประเคนใหม่ที่นํามาจากที่นิมนต์ที่ วินตบัตได้ลำบากคืออาหารที่เก็บไว้ภายในที่หุงต้มภายในที่ ภิกษุยังฉันอยู่พระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมิกถาเพราะ ที่หุงต้มเองที่จับต้องแล้วรับประเคนใหม่ที่นํามาจากที่นิมนต์ที่รับประเคนก่อนเวลาภัตตาหารที่เกิดในป่าที่เกิดในคอบัวภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันอาหารที่เก็บไว้ภายในที่หุงต้มภายในที่หุงต้องแล้วต้อง ไม่พึงฉันอาหารที่นํามาจากที่นิมนต์ที่รับประเคนก่อน แล้วตั้งวงล้อมคุเวรอยู่นอกสมประตูพระวิหารคอยว่า แล้วตั้งวงล้อมกุญญอยู่นอกสมประตูพระ คือในวิหารเรือนมุงแถบเดียวปราสาทสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ ให้เป็นกัปปิยะภูมินี่เป็นยติท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้สมัยนั้นชาวบ้านต้มข้าว ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลเรื่องนี้ให้พระ เราอนุญาตกัปปยภูมิ 3 ชนิดคือ 1 อุสาวนันติกากัปปยภูมิที่ประกาศให้ 2 โคนิสาธิกากัปปยภูมิ 3 คหบติกาเรือนของคหบดี คนทั้งหลายนําเพศสัตว์มาถวายท่านภิกษุทั้ง